พระราชาถูกมรณะภัยคุกคามรุ่งขึ้นให้เรียกอมมาตจีคนมาตรัสสั่งว่าท่านทั้งสี่คนจงขึ้นรถสี่คันออกจากประตูเมืองทั้งสี่ประตูค้นหามโหสถบุตรเราอยู่ที่ใดจงทำสักการะแก่เธอในที่นั้นแล้วนำตัวมาโดยเร็วอมมาตสี่คนออกทางประตูคนละประตูอมมาตสามคนไม่พบมโหสถบัณฑิต แต่อมาต์คนหนึ่งออกทางประตูด้านทิศทักษิณพบพระมหาสัตว์ที่บ้านทักษินยะวะมชมคามขนดินเหนียวมามีร่างกายเปื้อนดินเหนียวนั่งบนต่างใบไม้หมุนจักในสำนักอาจารย์ปั้นดินเหนียวเป็นปั้นๆบริโภคข้าวเหนียวไม่มีแกงถามว่าก็เหตุไรมโหสดจึงทำการอย่างนี้แก้ว่าได้ยินว่า พระราชาทรงระแวงว่ามโหสถบัณฑิตจะชิงราชสมบัติของพระองค์โดยไม่สงสัยมโหสถคิดว่าเมื่อพระราชาทรงทราบว่ามโหสถเลี้ยงชีพยอยู่ด้วยการทําหม้อขายก็จะทรงหายระแวงจึงได้ทําอย่างนี้มโหสถเห็นอมาต์ก็รู้ว่าจะมาหาตนจึงดําริว่าวันนี้ยศของเราจะมีเป็นปกติอีก เราจาักบริโภคโภชนาหารมีรถเลิศดต่างๆที่นางอมราเทวีจัดไว้รับคิดชนี้จึงทิ้งก้อนข้าวที่ถือไว้ลุกขึ้นบ้วนปากอมานั้นเข้าไปหามโหสดในขณะนั้นแต่อมาศคนนั้นเป็นฝักฝ่ายเซนกะเพราะฉะนั้นเมื่อจะสืบต่อข้อความที่เซนกะกล่าวแต่หนหลังว่าทรัพย์ประเสริฐกว่าปัญญานั้นจึงกล่าวว่าแน่ท่านบัณฑิต คำของอาจารย์เสนกะเป็นจริงในเมื่อยศของท่านเสื่อมท่านเป็นผู้มีปัญญามากถึงปานนี้ก็ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งแก่ท่านบัดนี้ท่านมีร่างกายเประเปื้อนด้วยดินเหนียวนั่งที่ต่างใบไ ม, ไม้กินข้าวเห็นปานนี้กล่าวชะนี้แล้วได้กล่าวคาถาที่หนึ่งในภูริปัญหาในทัศนิบาตนี้ว่าได้ยินว่า คำที่อาจารย์เสนกะกล่าวเป็นความจริงแม้ท่านจะมีปัญญาดุดแผ่นดินมีสิริมีความเพียรและมีความคิดเช่นนั้นยังไม่ป้องกันความที่ท่านเข้าถึงอำนาจของความพินาศได้ท่านจึงต้องกินอาหารไม่มีแกงบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้ยินว่าเป็นความจริงสัจจังกิระความว่าแน่ท่านอาจารย์ อาจารย์เสนกะกล่าวคำใดได้ยินว่าคำนั้นเป็นคำจริงทีเดียวคำว่ามีสิริสิรีได้แก่ความเป็นใหญ่คำว่ามีความเพียรทิติได้แก่มีความเพียร เ, เป็นนิดข้อว่ายังไม่ป้องกันความที่ท่านเข้าถึงอำนาจของความพินาศได้ณนะตายะเตภาวะวะสูปณนีตัง ความว่าไม่รักษาคือไม่คุ้มครองท่านผู้เข้าถึงอำนาจของความพินาศคือความไม่เจริญคือไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งของท่านได้คำว่าอาหารยาวะกังความว่ากินพัตตาหารจากข้าวสารเหนียวเห็นปานนี้ลำดับนั้นพระมหาสัตว์กล่าวตอบอมมาจากนั้นว่าแน่ท่านผู้บอดเขลา เราประสงค์จะทำยศนั้นให้เป็นปกติด้วยปัญญาของตนอีกจึงได้ทำอย่างนี้แล้วกล่าวสองคาถานี้ว่าเรายังความสุขให้เจริญด้วยความทุกข์เมื่อพิจารณาการและมิใช่การก็หลบซ่อนตามปรารถนาไม่ปิดช่องทางแห่งเป็นประโยชน์แก่ตนด้วยเหตุนั้นเราจึงยินดีด้วยการบริโภคข้าวเหนียวก็เรารู้จักการเพื่อทาความเพียร และเพิ่มพูนประโยชน์ด้วยปัญญาจากองค์อาจดุจราชสีเยืองกลายท่านจากเห็นเราด้วยความสําเร็จนั้นอีกบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าด้วยความทุกข์ทุกเขเนะความว่ายังความสุขเก่าของตนให้งอกงามคือเจริญด้วยทําให้กลับเป็นปกติด้วยความทุกข์ทางกายและทางใจนี้คําว่าการและมิใช่การ กาลากาลังความว่าเมื่อเราพิจารณาการและมิใช่การอย่างนี้ว่านี้เป็นการต้องหลบซ่อนเที่ยวไปนี้ไม่ต้องหลบซ่อนรู้ว่าในเวลาที่พระราชากริ้วต้องหลบซ่อนเที่ยวไปเป็นผู้หลบซ่อนคือปิดบังตามความพอใจคือความชอบใจของตนเลี้ยงชีพด้วยงานช่างหม้อไม่ปิดคือเปิดช่องกล่าวคือ เหตุแห่งประโยชน์ของตนอยู่ด้วยเหตุนั้นเราจึงยินดีด้วยการบริโภคข้าวเหนียวคำว่าเพื่อทำความเพียรอภิชิมหตายะได้แก่เพื่อความองอาจคือเพื่อกระทาความเพียรยิ่งข้อว่าเพิ่มพูนประโยชน์ด้วยปัญญามันเตหิอัดถังปริปาจยิตวาความว่า เราจากยังยศของเราให้เจริญอีกด้วยความรู้ของตนองอาจดุจราชสีองอาจที่พื้นมโนศิลาฉะนั้นท่านจะเห็นเราด้วยความสำเร็จนั้นแม้อีกลำดับนั้นอมาดกล่าวกะมะโหสดว่าแน่พ่อบัณฑิตเทวดาผู้สิงอยู่นาเสวตฉัดถามปัญหาพระราชาพระราชาตรัสถามบัณฑิตทั้งสี่ในสี่คนนั้น แม้คนหนึ่งก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้เพราะเหตุนั้นพระราชาจึงดำรัสสั่งให้ข้าพเจ้ามาหาท่านกระมหาสัจจึงกล่าวสรรเสริญอ น, นุภาพแห่งปัญญาว่า<อ>เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจงเห็นอนุภาพแห่งปัญญาของตนเพราะว่าอิสริยยศย่อมไม่เป็นที่พึ่งในการเห็นปานดังนี้บุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งได้ อมาดได้รับพระราชบัญชามาว่าจงให้มโหสถบัณฑิตอาบน้ำนุ่งห่มในที่ที่พบทีเดียวแล้วนำมาก็ได้ทำตามรับสั่งแล้วให้กระหาปณะหนึ่งพันและผ้าสำรับหนึ่งซึ่งเป็นของพระราชทานแก่พระมหาสัตว์ได้ยินว่าช่างหม้อเกิดกลัวขึ้นเองด้วยคิดว่าเราใช้สอยมโหสถผู้เป็นราชบัณฑิต พระมหาสัตว์เห็นกิริยาแห่งช่างม่อจึงพูดปลอบใจว่าอย่ากลัวเลยท่านอาจารย์ท่านเป็นผู้มีอุปการะแก่ข้าพเจ้ามากกล่าวชนี้แล้วให้กระหาปณะหนึ่งพันแก่ช่างม่อแล้วนั่งไปในรถทั้งตัวเปื้อนดินเหนียวเข้าไปสู่พระนครอามาให้ทูลข่าวมาของมโหสดแดรพระราชาพระองค์รับสั่งถามว่าท่านพบมโหสถที่ไหน จึงกราบทูลว่ามโหสถรรม่อขายเลี้ยงชีพอยู่ณนะบ้านทักขินยะวะมชคามถ้าว่ามีรับสั่งให้มาเฝ้าก็ยังหาอาบน้ำไม่มีร่างกายเปื้อนดินเหนียวมาทีเดียวพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าถ้ามโหสถเป็นศัตรูของเราจะพึงเที่ยวด้วยแบบแห่งอิสริยศักมโหสถนี้หาได้เป็นศัตรูของเราไม่ ทรงดำริชนี้แล้วตรัสสั่งว่าท่านจงบอแก่มโหสดบุตรของเราว่าจงไปเรือนของตนอาบน้ำตกแต่งกายแล้วมาตามทํานองเกียรติศักดิ์ที่เราให้มโหสถได้สดับพระราชกระแสก็ทำอย่างนั้นแล้วมาเฝ้าได้พระราชานุญาตให้เข้าเฝ้าแล้วก็ตรงเข้าไปถวายบังคมพระราชาแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรแห่งหนึ่ง พระเจ้าวิเทหราชทรงปฏิสันฐานมโหสถบัณฑิตเมื่อจะทรงทดลองมโหสถบัณฑิตจึงตรัสคาถานี้ว่าก็คนพวกหนึ่งไม่ทำความชั่วด้วยคิดว่าเราสบายอยู่แล้วคนอีกพวกหนึ่งไม่ทำเพราะเกรงเกี่ยวข้องด้วยความติเตียนก็เจ้าเป็นผู้สามารถมีความคิดเต็มเปี่ยมเหตุไรจึงไม่ทำความทุกข์แก่เราบรรดาคาเหล่านั้นคาว่า ก็สบายอยู่แล้วสุขีหิความว่าแน่บัณดิตก็คนบางพวกไม่ทำความชั่วเพราะเหตุแห่งความเป็นผู้มีอิสระยิ่งด้วยคิดว่าพวกเรามีความสุขสมบูรณ์ด้วยอิสริยยศพวกเราไม่ควรทำความชั่วด้วยเหตุเท่านี้คนบางพวกไม่ทาความชั่วเพราะเกรงเกี่ยวข้องด้วยความติเตียนด้วยคิดว่า คนมุ่งร้ายกล่าวติเตียนจักมีแก่เจ้านายผู้ให้ยศแก่เราเห็นปานนี้บางคนมีปัญญาน้อยแต่ตัวเจ้าเป็นผู้สามารถมีความคิดเต็มเปี่ยมถ้าต้องการก็ครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นได้เหตุไรจึงไม่ชิงราชสมบัติไม่ทำความทุกข์แก่เราลำดับนั้นพระโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่า บัณฑิตทั้งหลายไม่ประพฤติความชั่วเพราะเหตุแห่งความสุขของตนอันความทุกข์กระทบแล้วแม้พลาดจากสมบัติก็สงบย่อมไม่ละธรรมเพราะรักและเพราะชังบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแม้พลาดคลิตาปิความว่าแม้เป็นผู้มีสภาพที่พลาดจากสมบัติแล้วตั้งอยู่ในวิบัติคําว่าย่อมไม่ละธรรมณันะชะหันติ ทำมังความว่าย่อมไม่ละแม้ซึ่งทำคือประเพณีแม้ซึ่งทำคือสุจริตพระราชาเมื่อจะตรัสคติยะมายาเพื่อทดลองมโหสถอีกจึงตรัสคาถานี้ว่าบุคคลพึงถอนตนที่ต่ำช้าด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยวิธีนุ่มนวลหรือรุนแรงภายหลังจึงประพฤติ ธ, ธรรมก็ได้มิใช่หรือบรรดาคำเหล่านั้น คำว่าต่ำชาชาอีนังความว่าพึงถอนตนที่ต่ำชาชาคือเข็นใจขึ้นตั้งไว้ในสมบัติลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะแสดงอุปมาด้วยต้นไม้แด่พระราชาจึงกล่าวคาถานี้ว่าบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่นของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุสร้ายมิตรเป็นผู้ชั่วช้า ก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเมื่อจะแสดงความที่ตนมิใช่ผู้ประทุสร้ายมิตรแม้ในที่ทั้งปวงว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าถ้าว่าบุคคลหักกิ่งต้นไม้ที่ตนได้บริโภคชื่อว่าเป็นผู้ประทุสร้ายมิตรไซจะกล่าวไปใหญ่ถึงคนฆ่ามนุษย์บิดาของข้าพระองค์พระองค์ให้ดํารงอยู่ในอิสริยยศโอฬาร และข้าพระองค์พระองค์ก็ทรงอนุเคราะห์ด้วยการอนุเคราะห์มากเมื่อข้าพระองค์ทำร้ายพระองค์จะไม่พึงชื่อว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรได้อย่างไรและเมื่อจะทูลทวงโทษแห่งพระราชาจึงกล่าวคาถาว่านรชนรู้แจ้งซึ่งทำแต่ผู้ใดและสัตบุรุษเหล่าใดบันเทาเสียซึ่งความสงสัยอันเกิดขึ้นแก่ น, นรช น, นั้นกิริยาของท่านผู้นั้น เป็นดังเกาะและเป็นที่พึ่งของนรชนนั้นผู้มีปัญญาไม่พึงยังไมตรีกับท่านผู้นั้นให้เสื่อมสิ้นไปคาถานั้นมีเนื้อความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าบุรุษพึงรู้ธรรมคือเหตุแม้มีประมาณน้อยแต่สำนักของอาจารย์ใดและสัตบุรุษเหล่าใดบัญเทาเสียซึ่งความสงสัยอันเกิดขึ้นแก่นรชนนั้น การกระทําของท่านผู้นั้นเป็นดังเกาะและเป็นที่พึ่งเพราะอัจว่าเป็นที่พึ่งของนอรชนนั้นบัณฑิตไม่พึงละคือไม่พึงยังมิตรภาพกับอาจารย์เช่นนั้นให้พินาศบัดนี้เมื่อจะถวายโอวาทพระราชามโหสถบัณฑิตจึงกล่าวสองคาถานี้ว่าคฤหัดบริโภคกรรมเป็นคนเกียจคร้านไม่ดีบรรพชิตเป็นผู้ไม่สำรวมแล้ว ไม่ดีพระราชาผู้ไม่ทรงพิจารณาก่อนจึงทรงราชกิจไม่ดีความโกรธของบัณฑิตผู้มาโกรธไม่ดีกษัตริย์ควรทรงพิจารณาก่อนทรงราชกิจพระเจ้าแห่งทิศไม่ทรงพิจารณากรไม่พึงทรงราชกิจยศและเกียรติย่อมเจริญแก่พระราชาผู้ทรงพิจารณากรจึงทรงบำเพ็ญราชการณียกิจเป็นปกติ บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าไม่ดีณนะสาธุได้แก่ไม่บริสุทธิ์คือไม่งามคําว่าผู้ไม่ทรงพิจารณาอ น, นิสัมมะการีได้แก่ผู้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พิจารณาคือไม่ทําให้ประจักษ์แก่ตนแล้วกระทําคําว่าความโกรธของบัณฑิตผู้มาโกรธไม่ดี ตัณสาธุความว่าความโกรธกล่าวคือความกำเริบแห่งอาชญาด้วยอำนาจการยึดสิ่งที่ไม่ใช่ฐานะของบุคคลผู้เป็นบัณฑิตคือผู้มีปัญญานั้นไม่ดีคำ ว, ว่ายศและเกียรตยะโสกิตตินจะความว่าอิสริยยศปริวารยศและเกียรติคุณย่อมเจริญโดยส่วนเดียว ผูริปัญหาจบ